ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปนานาตพรมนิมันตะนิกัสูนี่นะพรมนิมันตะนิกัสูตรแปลว่าพรมสูตรที่พรมเชื้อเชิญเชื้อเชินนี่เชื้อเชิญว่าอย่างไงเชื้อเชิญว่าพรมมัสถานนี้แหละยั่งยืนหมายค่ะว่าพรมเขาเชื้อเชิญให้ไปเกิดที่พร ม, มโลกมันคําเชื้อเชิญความคิดของพรมเท่ากับอร า, าราธนาพระพุทธเจ้าออไป แล้วก็พรหมนี้เชื่อเชิญในตำแหน่งเท้ามหาพรหมด้วยเนี่ยนะว่าพรหมมสถานเนี่ยดีเยี่ยมเลยว่างั้นก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าชนะพรหมอ่ะนะในคาถาพาหุงก็มีอยู่ทิฏฐาอะไรนะทุกในคาถาที่แปดเนี่ยนะในพาหงเนี่ยนะในพุทธชัยมงคลแปดคาถา ที่กล่าวว่าทุกขาหทิทิผู้ชเคณสุทัธฐหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิทธิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโธนะนะพระจอมมุนีเนี่ยนะได้ชนะได้ใช้ชนะพกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธ มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฐิที่ตนถือผิดรัดเรงไม่แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาวิเศษคือเทศนายานวิธีนะพี่นันก็อันนี้เป็นชัยชนะอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าในพุทธชัยมงคล8ปดเนี่ยนะในข้อห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหน้าห้า้อยสี่สิบเอ็ดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถปินธิกเศรษฐีกรุงสาวัติณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายนัภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข่าซึ่งเป็นปกติของพระพุทธเจ้ า, า ว, ว่าเวลาที่พระองค์จะแสดงธรรมกับกลุ่มใดบริษัทใดพระองค์จะต้องเรียกเรียกชื่อเรียกขาน บุคคลเหล่านั้นก่อนเนี่ยนะเพื่อให้หันหน้าเข้ามาในพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะตัดความฟุง้งซ่านตัดความคิดปริวิตกไปในเรื่องอื่นเนี่ยนะให้มีใจน้อมมาหาพระธรรมแล้วก็ประมวลใจทั้งหมดมาเพื่อฟังธรรมตั้งจิตเพื่อความรู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภิภูสุทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โคนต้นรังใหญ่ในศพพัควันเน่ยนะก็คืออยู่ในป่างามแห่งหนึ่งก็คือเป็นป่าที่ใหญ่ป่าที่งามเมืองอุกัถาก็สมัยนั้นแลพระกะพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นป่า น, นี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยง น, นะคือหมายคำว่าผู้ใดก็ตามมาเกิดที่พรห ม, มโลกอ่ะผู้นั้นจะเที่ยงจะยั่งยืน นะเมื่อไปเกิดที่นั้นแล้วก็มั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปกลับไปใช้ชีวิตอมตะนั่นะนะชีวิตที่อมตะไม่ยั่งยืนแน่นอนมั่นคงเพราะฉะนั้นพรหมสถานี่แหละสัตว์ผู้ผู้ม่เกิดณนะที่นี้แล้วจะไม่เกิดไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกแล้วจะไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นจะไม่จุติไม่อุบัต ก็และสถานที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่าพรห ม, มสถานนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาถือว่านิพพานเลยแหละเหมือนถือว่านี่แหละคือที่ที่ออกจากทุกนะผู้ใดมาเกิดหนสถานที่นี้ตรัสรู้ธรรมนี้ผู้นั้นพ้นจากทุกอย่างเดียวอันนี้เป็นคำเชื่อเชิญของพรหมเท่ากับพรหมเขาเชื่อเชิญว่ามาเถอะมาเกิดที่ พรหมโลกนี่แหละผู้ที่มาเกิดพรหมโลกแล้วจะเที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่ต้องจุติปฏิสนธิอีกแล้วเพราะฉะนั้นสถานที่ที่พ้นจากทุกเนี่ยนะไม่มีที่ไหนยิ่งกว่าพรหมโลกขอให้มาเกิดที่นี่เธอเมื่อเกิดที่นี่แล้วท่านจะพ้นจากวัฏฏะทั้งปวง น, นะก็เป็นลัทธิของของของพรหมนะ แล้วก็ลัตที่อันนี้ก็กระจายไปในหมู่พราหมณ์ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องการที่จะปฏิบัติให้กลับไปเข้าไปอยู่กับรวมกับพรหมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาว่าเมื่อกลับไปอยู่เป็นอันเดียวกันแล้วก็จะได้ยั่งยืนและก็มั่นคงภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารู้ความปริวิตกทราบความคิดแห่งใจของพระกะพรหมด้วยใจแล้วเนี่ยนะ องรู้เลยเนี่ยนะว่าเขาคิดอะไรพระองค์รู้ด้วยสัพพัญยุตยานรู้ด้วยเจโตปริยานเลยว่าความคิดของพรหมเนี่ยเขาคิดอะไรเสร็จแล้วพระองค์ก็หายไปจากที่โคนต้นรังใหญ่ในสุภคะวันใกล้เมืองอุกตถาไปปรากฏในพรหมโลกเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือพึงคู่แขนที่เหยียบฉะนั้น น, นะตามคําเชื่อเชินเลยนะพระองค์ก็เสด็จไปตามคําเชื่อเชินเ เขาเชื่อเชิญบอกมาเถอะเนี่ยนะใครมาเกิดที่นี่ก็ท้ายที่นี่เป็นสถานที่ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงไม่เคลื่อนอ น, นะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะเยี่ยมประเสริฐที่จะนำออกจากทุกยิ่งกว่าพรมยิ่งกว่าพรมมสถานหรือผู้ที่มาเกิดที่นี้ไม่มีโปรงก็ไปเลยไปตามคาเชื่อเชิญพิกษซทั้งหลายพระกะพรมได้เห็นเราผู้มาจากที่ไกล แล้วได้พูดกับเราว่าท่านผู้เนรทุกข์เชิญมาเถิดท่านมาดีแล้วนานทีเดียวที่ท่านเพิ่งจะทําทางมาในที่นี้แม้กว่าจะได้ปฏิบัติมาเข้าถึงสถานที่นี้นะมันยากว่างั้นนอะนอนกว่าจะได้กลับมาอย่างนี้สักทีหนึ่งก็คือชื่นชมอนะว่าผู้ใดมาพรห ม, มโลกนี่แหมประเสริฐแท้ว่างั้นท่านผู้เนรทุกข์พรห ม, มสถานนี้เที่ยงนะยื น, นยนันอีกนะ เมื่อมาถึงแล้วก็ยืนยันให้พระพุทธเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งบอกพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมสถานนี่แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเหตหรือสธรรมะเป็นที่ออกไปจากทุกขยิ่งกว่าที่ดีกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ใดปรารถนาความพ้นทุกมาเถอะมาอยู่ในพรหมสถานนี่แหละว่างั้นน่ แล้วจะพ้นจากทุกอย่างแน่นอนและแน่นอนมั่นคงเนี่ยนะก็บรรลือหน้าดูเลยนะคิดว่าพรหมสถานนี่แหละเป็นสถานที่แน่นอนใช่ไหมเที่ยงแท้ไม่คลาดเคลื่อนผู้ที่มาเกิดที่นั้นแล้วจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายที่จริงที่พรหมเขาพูดเช่นนี้เนี่ยเพราะพรหมเขาไม่รู้ ฌานระดับสูงยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่รู้จักทุติยะฌานตัติยะฌานจตุทะฌานเขาไม่รู้จักพรมชั้นทุติยะฌานพรมชั้นตัติยะฌานพรมชั้นจตุทะฌานคืออรูปฌานทั้งหลายพระกะพรมคนนี้เนี่ยนะที่ทีเขาก็เกิดไปอย่างนั้นเขาไม่รู้จักอริยมรรคทั้ง4อริยผลสี่แล้วก็พระนิพพานเลยเพียงแต่สําคัญว่าปฐมฌานผู้ที่ปฏิบัติจนได้ปฐมฌานเกิดในพรหมโลกนี่แหละคือนิพพาน มันก็ถือว่าปฐมฌานนั้นเป็นนิพพานผู้ที่ปฏิบัติจนได้ปฐมฌานภูมิแล้วไปเกิดในพรหมโลกนี่แหละเรียกว่ามั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะพ้นจากจุติและปฏิสนธิแล้วแต่อายุก็ยืนนะอายุตั้งหนึ่งมาหากรัปนะก็เท่ากับเพียงพอที่จะสําคัญว่าตัวเองไม่เกิดไม่แก่ใช่ไหมพอที่จะพอสําคัญเชื่อได้ว่าไม่เกิดไม่แก่ขณะเราอยู่กันคนละห้าหกิปีเจิปีแต่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องตายเลยเนี่ยนะ ก็กแม่อันนี้นี่มันแบบถ้าหากว่าเทียบอายุของพรมเนี่ยนะกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกเรายัางกับท่านกับพี่ตาครั้งหนึ่งเราก็ตายแล้วสามรอ บ, บงงนเหมือนั้นน่ยคือมันมันนี่มา ก, ก น, นะคือถ้าเราเทียบในะอายุอย่างอายุของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับร้อยปีเนี่ยแม่มันไม่ได้นานอะไรเลยถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวจ่าตุม่มห้าร้อยปีของเขาเนี่ยห้าสิบปีของเขาเท่ากับวันหนึ่ง ามายควาว่าห้าิปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วข้าอายุห้าร้ยปีทิพย์ก็ประมาณเก้าล้านปีเนี่ยเก้าล้านปีของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับของเราร้อยปีมีกี่วันเอก้าล้านกับกั บ, ก, บกับไม่ถึงร้อยปีเนี่ยนะหมายมันห่างกันเยอะนะก็สมพระท่าพูดแบเป็นรูปธรรมภาษาเงินทองบอกคนนั้นมีเงินตั้งเก้าล้านอีกคนหนึ่งมีตั้งห้าหกสิบาทเจ็สิบาทนี่ไนะอยมันห่างกันเยอะนะมันห่างกันไม่รู้ ค, คูณกี่ร้อยอะนะ คูณกี่พันจึงจะได้เท่านั้นน่ะทีนี้มนุษย์ของเราเนี่ยนะอายุหกเจ็ดปดิปีเก้าิปีร้อปีเนี่ยถ้าไเปรียบกับดาววดึงแล้วดาววดึงเข้า36ล้านปีอย่างเงี้ยนะโอ้เราห่างดาววดึงขนาดไหนเนี่ยนะถ้าเทียบกับชั้นยามาไปอีกโ อ, อยห่างยามาเยอะถ้าเปรียบกับดูสิเขา้าร้อยกว่าล้านปีของเราลนี่อายุนิดเดียวถ้าเทียบกับนิมมานารดีอีกซึ่งเขาอายุมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะ เราก็ห่างเยอะถ้าไปเปรียบกับปเรณิมิตาวะสวัสดีเนี่ยเราก็ห่างเยอะไปเทียบกับพรหมเนี่ยนะบริษัทชาเขาเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสามของกับของเรานี่ยแห ม, มเปรียบกันไม่ได้เลยหรือพรหมปุโรหิตอายุครึ่งกับมหาพรหมอายุนึงมหากับของพวกเราเนี่ยไอย่เท่าไหร่กันพวกเราเนี่ยโหนิดเดียวเนี่ยนะอย่างว่าท่านยังไม่ทันหายใจเลยทาง น, นิจตายไปรู้กี่รอบแล้วเนี่ยนะมัอนอายุมันนิดเดียวเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นพวกเราก็แหม ย, ยัง มานะ้บอกอ๊ยทำตัวเหมือนไม่แก่ไม่ตายเนี่ยเหมือนอีกนอนนานเต็มทีทำตัวลืมแก่ลืมตายกันไปหมดเนี่ยนะเพลินเหลือเกินเนี่ยนะเพลินเหลือเกินพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ้าวหมดเวลาแล้วเนี่ยนะทำอะไรได้เคยไปเล่นเกมเล่นดูหนังฟังเพลงอะไรเป็นต้นไหมที่มันเพลินเพลิเนี่ยนะพับอีกทีหมดเวลาแล้วเวลาชีวิตเนี่ก็เหมือนกันคนที่มีอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานก็บอกแหมชีวิตเนี่ยมันอุย้ยนานเหลือเกิน แต่ผู้ที่อยู่ด้วยความสุขแท้จริงเขาบอกมันแป๊บเดียวเนี่ยนะมันเร็วจริงๆเร็วมากเลยนะวันคืนผ่านไปเนี่ยนะอย่างเนี้ยพศทั้งหลายมันก็เปลี่ยนเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรืยเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนห่างเลื่อนในเลื่อนให้ห่างแล้วไม่เลื่อนให้ใกล้เลื่อนให้ห่างพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆไม่ได้เลื่อนให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเลยเนี่ยนะแผ่ไปเรื่อยแผ่ไปเรื่อยแผ่วไปเรื่อยเหมือนน้าที่ไหลจาก ภูเขาลงมายิ่งไหลไปเท่าใดก็ยิ่งไกลภูเขาไปเท่านั้นชีวิตอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายก็ไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยเลยนะแต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าพรหมนี่เขาคิดว่าเขาเนี่ยจีรังยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงไม่เคลื่อนไม่จุติไม่อุบัติที่นี้แหละผู้ใดมาเกิดแล้วพ้นทุกอย่างเดียวเที่ยงสุทั้งหลาย เมื่อพระกะพรม้มกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับพระกะพรม้มอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญพระกะพรม้มเนี่ยนะตกอยู่ในอวิชชาแล้วเนา ะ, อะบอกความจริงเลยอันเนี้ยท่านเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอภิชอวิชชานเนี่ย ท่านไม่อย่างรู้ถึงอดีตท่านไม่อย่างรู้ถึงอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้อริยมรรคเลยท่านไม่รู้จักนิพพานที่แท้จริงท่านไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานท่านไม่รู้จักอริยมรรคพราธท่านพร้อมท่านตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วเนอพร้อมท่านตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วเนอะมือแท้มือแท้เนี่ย นะครัว่ามืดสนิทเลยถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพรมเนี่ยตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อไม่รู้จักทุกข์เนี่ยนะไอคําว่ารู้จักทุกข์ก็คือธรรมชาติที่เบียดเบียนบีบคั้นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ธรรมชาติที่เล่าร้อนแล้วก็สภาวะที่วิปรณามะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพรมเนี่ยไอความที่ไม่รู้จักปฐมฌานพร้อมทั้งวิบากและกรรมชรูปสิ่งที่ไม่เที่ยงไปสำคัญว่าเที่ยงอันนี้มันวิปลาส ช, ชัดๆเลยเหมือนนนี่นอยโยนิโสมนัสิการไปคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปกล่าวในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วบอกว่ายั่งยืน ไปกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงนั่นแหละว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงนั่นแหลว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดานั่นแหละว่าไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติทั้งอุบัติอยู่ในพรห ม, มสถานใดคือธรรมชาติโดยปกติของพรหมเนี่ยนะคือจํานวนปริมาณแห่งพรหมที่อยู่ในพรห ม, มโลกนี่เยอะมาก มันก็เกิดให้เห็นพรมใหม่ใหม่ก็มาอุบัติเกิดขึ้นพรมเก่าๆก็ตายให้เห็น น, น, นะนะพรมก็ดำรงอยู่นานก็เป็นความชราทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติและอุบัติก็มีให้เห็นทั่วไปหมดแต่ตัวเองเนี่ยตกอยู่ภายใต้อํานาจอาวิชาไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นคิดแต่ว่าฉันเป็นมหาพรมอย่างเดียวเนี่ยนะเพรา ะ, ะนักประกะพรมเนี่ยนะกล่าวว่าพรมมัสสถานนี้นี่แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติและไม่ อุบัติไม่รู้เลยแสดงว่าหลับหูหลับตาพูดยังไงเนี่ยว่างั้นก่นะที่เกิดเขาก็เกิดกันเยอะแยะไอ้ที่แก่ก็แก่ไอ้ที่เกือบตายก็ตายไอ้ที่กําลังตายก็ตายที่กําลังไปเกิดก็ไปเกิดมีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งตายแล้วไปบอกว่านี้ที่นี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเนี่ยมันเกินไปว่างั้นไม่ใช่ความจริงอนี้ที่จริงอ่ะเพราะเพราะเหตุของเข้าใจผิดอ่ะนะเพราะทิฏฐิอ่ะนะทิฏฐิก็เป็นเหตุให้พูดคลาดจากความเป็นจริง